ตรงตรัสว่าวัตโตโลโกโลกมันหมุนมันก็ถูกต้องทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกเช่นกลางวันหมุนไปหากลางคืน กลางคืนมันหมุนมาหากลางวันอยู่อย่างนี้หมุนอีอยนี่นก็หมุนเกี่ยวแก่ฤดูแล้วดูผลมันก็หมุนมาหาฤดูหนาวมาหนิฤดูหนาวหมุนไปหาฤดูร้อน แล้วดูร้อนแล้วก็หมุนไปหาแล้วดูฝนอยู่อย่างนี้เหละลอสังเกตดูหมุนไปเรียนมาอยู่ของเก่านี้เองนะนี่พูดถึงไงโลกภายนอกมันหมุนกันเมื่อวันนี้โลกภายในมันหมุนเราได้แก่ความเกิดขึ้นมามีรูปมีนามมาแล้ว มันก็หมุนเข้าไปหาความแก่หมุนเข้าไปหาความเจ็บป่วยไข้แล้วก็หมุนไปหาความตายแต่ถ้าไปตกนรกมันก็จนากนั้นไปสัตว์นรกนั้นในว่าเกิดอยู่กํานันตายอยู่กําลันอยู่ตลอดเวลาจนกลัวจะ พ, พ้นจากบาปกรรมอนั้นพ้นจากบาปกรรมอนั้นน่ะมาเกิดเป็นคนเีก เกามาทำกรรมดีกรรมชั่วอีกตายแล้วกรรมดีกรรมชั่วมันก็นาไปเกิดอีกอยู่อย่างนี้แหละไม่มีใครได้อะไรหรอกในโลกนี้นะอ่ไม่มีใครได้อะไรเอา้าเมื่อเป็นชนี้มันเกิดมาทำไมล่ะมันเกิดมาเพราะเหตุว่ามันยังหลงโลกอันนี้อยู่มันมาเห็นโลกอันนี้แต่มันก็เสียดายอะไร จิตใจผูกพันอยู่กับโลกนี้หรือโลกอื่นเหตุท่นั้นน่ยมันจึงได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในีมันรู้แล้วเพราะมันมันไม่มีความรู้ความเห็นว่าทางอื่นที่สุขยิ่งกว่านี้มีอยู่อย่ยงนี้มันมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันจึงห่วงโลกอันนี้ไว้ พะมันเคยมาเกิดมากแก่เจ็บตายอยู่นี่ขน า, นานับชาติไม่ทวนแล้วยังเป็นอย่างนั้นบันนี้คำว่าอรหัตตะผลหรือว่าอรหันนั่นแปลว่าหยุดมูนท่านผู้ใดบรรลุอรหัตตะผลแล้วก็เป็นอันว่าหยุดหมูน เกิดแก่เจ็บตายสวยสุขสวยทุกข์ไปในสงสารต่อไปไม่หมุนไปอีกแล้วถ้าผู้ที่ยังไม่สำเร็จอรหัตผลมันก็จะต้องหมุนเวียนไปอีกอยู่นั่นแหละทางแต่ว่าหมุนน้อยหมุนมากต่างกันผู้ที่ท่านได้บรรลุอนาคามีสกิทาคามีปโสดาบัน เอาไปแล้วอย่างนี้พระอนาคามีมีแต่เพียงหมุนในไปเกิดในพรหมโลกถ้ากับบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในพรหมโลกนั้นแล้วอินทรีบารมีแก่กล้าอยู่ในนั้นเมื่ออินทรบารมีแก่กล้าเต็มรอบแล้วกรทัางก็ได้บรรลุซึ่งนิพพานก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปเลยเอพระอนาคามีนามหมุนน้อยลงที่สุด พระโสดาภสกษุทาากฆานี่หมุนน้อยลงได้เทียวเกิดเทียวตายอยู่เพียงแค่เจ็ดชาติอย่างมากอย่างต่ำลงมากก็สามชาติอย่างต่ำสุดก็ชาติเดียวเท่านั้นก็เข้าถูนิพพานไปแล้วนี่พระอริยบุคคลนะท่านหมุนไปในสงสารนี่ไม่ไม่นานนะนั่นแหละ พระอรหันต์นั่นหยุดหมุนเลยโดยเด็ดขาดแต่คนธรรมดาสามัญ น, นี่ก็จะต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารนี่นานกวัวกันเร็วกวัวกันมันก็มีเหมือนกันแหละผู้ใดเป็นผู้สร้างบุญบา ร, รมีมามากแล้วอย่างนี้นะ การหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายมันก็น้อยเข้าออสั้นเข้าอย่างนี้แหละเพราะว่าเมื่อบุญบา ร, รมีแก่กล้าเข้าไปแล้วกี้เลสอันจะครอบงําจิตใจให้หลงให้เมาเห็นผิดเป็นชอบต่างๆไปมันก็เบาบางไปแล้วหมดไปแล้วยังไง น, นนะเพราะอินทรีย์แก่กล้าเข้าไปแล้วคนเราไม่ทําชั่วนี่ไม่ทําบาปอ่ะอืมันรู้นี่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เป็นอย่างนั้นนะผู้อินทรีย์อ่อนอยู่นี่มันสู้อำนาจแห่งอวิชชาตันหาไม่ได้อวิชชาบันปิดบังไม่ให้มีความรู้ความฉลาดไม่ให้มีไม่ให้มองเห็นล้นทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษต่างๆได้เพราะเหตุนั้นผูท้ที่มีบุญน้อยจุงกิเลสมันไหลายแล้วมันจึงทํา กรรมอันชั่วนั้นมากมายกายกองนั่นแหละอคนเราเกิดมาในโลกนี่ลองสังเกตดูค่าสัตว์สัดชีวิตอย่างนี้บางคนไม่ได้สะดุ้งหวาดเชียวอะไรไม่ได้นึกว่ามันจะเป็นกรรมเป็นเรนตามตนองตนวใ้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่คิดเลยเถือว่าเป็นเรื่องการอาชีพธรรมดาธรรมดาไปอย่างงี้นะเอ้ฆ่าทีใดก็เป็นบาปทีนั้นฆ่าทีใดก็เป็นบาปทีนั้นฆ่าร้อยทีก็เป็นบาปร้อยครั้ง บาปมันก็หนาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนอย่างไอคนนักโทษนั่นแหละไปทำผิดกฎหมายต่างกรรมต่างวาระกันเช่นทำผิดกฎหมายห้ากระทงแปดกระทงสิบกระทงอะไรพวกนี้นะศาลก็ตัดสินกระทงละห้าเดือนหมดหนึ่งปีห่ดอะไรอย่างนี้รวมเข้าไปแล้วก็เป็น สิบปีที่สิบปีไปสามสิบปีไปก็มีอออย่างงี้ผู้นั้นก็เลยติดตารางไปได้นานทีเดียวกลัวจะพ้นจากตารางนั้นไปคนทําบาปในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ย ท, ทําทีหนึ่งก็บาปครั้งนึง่งทำหลายทีมันก็บาปหลายครัง้งเอาไปกรสาสมเข้ามากเข้ามากเข้า มันนี่เวลาที่ไปสู่สำนักจุมพบาลโยมะมาลสอบสวนด้วอผู้นั้นสารภาพว่าได้ทำผิดจางนั้นได้ฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์ บ, บ่ได้ประพฤติผิดในกรรมหรือว่าได้กล่าวมุสาวาทหรือว่าได้ดื่มสุราเมลัยกัญชายาผิ่นเฮโรอีนปิดบังไม่ได้ ต้อ ง, งแหลงต่อยมพบาลทุกอย่างที่ตนทำชั่วอย่างนี้ยมพบาลพิจารณาดูนะเออเธอในมันทำกรรมมากนะทำกรรมชั่วตั้งแต่เกิดมานี่ไม่คิดว่าจะละบาปกรรมเลยอย่างนี้ทำแต่บาปแต่กรรมใส่ตัวเองเธอมันก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่ลึ ก, ลก อ, อย่างีเหมือนอย่างลูกชายเศรษฐีสี่คนจะขั้งอดีตการเขาพระเจ้านำมาแสดงไม่มีวิชาความรู้อะไรแล้วแต่ก่อนนี้พ่อแม่ไม่ส่งเสริมให้เรียนความรู้อะไรเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้ววันนี้สมบัติก็ตกแก่ลูกชายสี่คนนั้นแล้วก็มาประชุมปึกษากันบ้านี้ สมบัติมากมายอย่างนี้เราจะทำอย่างไรถึงจะมีความสุขสุขนานดีเราจะจ่ายเงินทองนี้ไปในทางไหนจึงจะมีความสุขสบายดีบางคนก็ว่าจ่ายไปในการเล่นการพนั น, น, นขันต่ อ, อเมื่อมันถูกก็รวยมากมาก อ, อย่างนี้ หรือจ่ายไปซื้อเหล้ามาสู่กันดื่มสนุกสนานเฮฮาอย่างนี้บัดนี้ผู้น้องคนที่สี่นี่เลยเสนอว่าผมว่านี่อย่างอื่นใดมันก็เป็นสุขสนุกอยู่หรอกแต่ยังสู้สนุกสู้ไการเท่ เมื่อเรามีความรักใครในหญิงคนใดแล้วจะเป็นเมียเขาก็ตามลูกเขาก็ช่างเราเอาเงินนี่ไปซื้อเอาเลยมาอาภิรมชมชื่นอย่างนี้มันจะมีความสุขมากกันเอาทั้งสามคนผู้พี่นั้นก็เห็นดีด้วย เ, เห็นดีด้วยก็จึงตกหลงกันม็เลยจ่ายเงินนั้นอา้าวผู้ใดไปชอบหญิงคนใดก็ว่ากันลงไปจะเป็นเมียใครลูกใครไม่รู้ละ ว, ว่าจะชอบใจ เอาเงินซื้อเอาอทั้งนั้นเลยไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรมีแต่มู่งอสุมอยู่ในกรร ม, มกิเลสนั้นโดยส่วนเดียวบันีิพอหมดอายุสังขารตายลงไปบาปกรรมอันที่ไปทำชู้กับเมียของเขาหมอนั้นมันก็นำให้ไปตกนรกชื่อที่ว่าโลหะกุมพี นี่มนุรกที่มีชื่อว่าโลหะคุมพีจมลงไปตั้งแต่ปากนารกนี่กว่าจะถึงไอ้ก้นนรกนั่นสามหมื่นปีไม่ใช่สามหมื่นปีเมืองมนุษย์นะสามหมื่นปีเมืองนรกนู่นแหละบัดนี้เมื่อถึงก้นนรกแล้วพูขึ้นมากว่าจะถึงปากมนรกก็าสามหมื่นปีอย่างนี้ พอถึงปากนล้วลกพ้นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจะปรับทุกข์ซึ่งกันและกันทันได้กล่าวว่าจะออกไปคนละคำเท่านั้นแหละผู้หนึ่งกล่าวว่าทุกคนหนึ่งกล่าวว่าสะคนหนึ่งกล่าวว่าณคนหนึ่งกล่าวว่าโซทันก็จมดิ่งลงไปเลยอืมคิดว่าจะปรับทุกข์ต่อกันว่าโอ้พวกเรานี่ก็ทําแต่บาปแต่กรรม ตายแล้วมันถึงได้มาตกนรกหมกไหมอย่างนี้ได้เสวยทุกททนทรมานเมื่อเราพ้นจากนรกนี้ไปแล้วเราจะทำบุญสุนทานเราจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธ์เราจะปรับทุกข์กันอย่างนี้มันก็ไม่ทันได้พูดบาปกรรมมันร้ายแรงมากก่าให้จมดิ่งลงไปเสียอย่างนี้อันนี้แหละบุคคลผู้ที่ ลืมตัวเขาตัวเองลืมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนะี้เลยถูกอวิชชาตันหามันจูงไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เลยมีแต่โทษอย่าว่าแต่โลกสิทธิ์แผดเศรษฐีสี่คนนั่นเลยแหละแม่คนสมัยทุกวันนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นเสียมีมีมีมีเป็นจำนวนมากเหมือนกันเนี่ย เมื่อมีเงินมีทองมามาแล้วก็เป็นนักเลงเจ้าชู้แล้วว่าจะชอบหญิงคนใดแล้วสัดเงินเข้าไปแล้วเป็นเป็นอันว่ดได้เลยเนี่ยไม่ไม่คิดที่จะทำบุญสุนทานอะไรเลยอย่างนี้มีอยู่ทมไปในโลกอันนี้นะนเป็นแบบงั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมรับรู้รอกว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมถ้ามันยอมรับรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมมันก็ไม่ทาเลยมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้มีปัญญาทั้งหลายควรคิดควรพิจารณาอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้อดีตอนาคตรู้ความเกิดความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายได้โดยพยานอันยิ่งไม่มีผิดบวังเมื่อพระองค์ทรงแสดงอะไรออกมาแล้วจริงทุกอย่างไปแล้วไม่มีที่จะไม่จริง ถ้าพระองค์ไม่รู้จริงสิ่งได้แล้วพระองค์จะไม่มาแสดงให้คนทั้งหลายฟังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีญาณความรู้วิเศษอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนะมันก็สมควรที่จะสมควรที่จะเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเออเป็นการดีมากโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธนี่นะถ้าไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามถ้าทำคําสอนนั้น มันก็ไม่ใช่ชาวพุทธเลยอืมนันลก็ไม่ใช่แล้วเราจะนับถือด้วยปากที่จะฆ่าว่าเป็นชาวพุทธเฉยๆอย่างนีนะ้แล้วไม่ละเว้นจากความชั่วที่ ท, ทรงห้ามไว้นั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำความดีที่ทรงแนะนาสั่งสอนนะั่นเช่นนี้ล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากการนับถือพุทธศาสนานีู้งกวัวนั่นแล้วก็ไม่ไม่พยายาม ชำละจิตใจที่เศร้าหมองขุนมัวอยู่แล้วอุปเกตต่างๆให้เบาบางอุกไปจากจิตใจเช่นนี้บุคคนผู้นั้นก็ย่อมประสบความทุกข์ความเดือดร้อนไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าใจนี้เมื่อมันเศร้าหมองขุนมัวแล้วมันก็มีได้ทุกข์กันทุกไม่ค่อยจะมีเลย อ, อยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์มนหมองใจไม่สบายใจแล้วละโลกนี้ไปแล้วก็จิต ด, ดวงเดียวนี้ ดวงเก่านี่มันก็ไปเป็นทุกข์ในโลกหน้าต่อไปอีกนั่นแหละให้พากันพิจารณาให้ดีเพราะฉะนั้นพึงพยายามชำระจิตของตนให้ผ่องใสสะอาดจากความโลภความโกรธความหลงอย่าให้ครอบงำจิตใจอย่าไปคิดอยากได้สมบัติปู๋นเอาเป็นของตนโดยทางทุจริตอย่าไปคิดโกรธผูกโกรธผูกเพยาบาดจองเวนคนอื่น อด้วยความไม่พออกพอใจกับคนผู้ใดผู้หนึ่งโดยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอพึงละความไม่พอใจต่างๆเสียให้หมดไปแล้ววันนี้ความโกรธมันก็ไม่มีแล้วความโกรธมันก็เกิดจากความไม่พอใจนั่นแหละทีแรกก็ไม่พอใจอ่อนๆไปมานนี้พอมีผู้ยั่วเข้ามาเข้าใกล้มากๆเข้าไป ความโกรธมันก็รุนแรงขึ้นโดยลำดับไปอย่างนี้แหละไอ้คนไม่รู้อะไรคนไม่ฉลาดเมื่อตอนทะเลาะกันอยู่เราไม่ได้วันนี้มีคนอื่นมายุเข้าไปมันยิ่งทวีคูณขึ้นไปในที่สุดก็ชกกันตีกันฆ่ากันตายเพราะถูกเขายุก็มีอันนี้สรรพัดตั้งด็กคนผู้ ตกอยู่ภายใต้ของกีเลศตัณหาอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เขาลงมาในวันนี้แหละว่ามีคนแก่สองคนน่ะอยู่บ้านใกล้กันเลยทีเดียวเลยไอ้บรรดาลูกเมียนันถูกกันอยู่มอดไม่ทะเลาะวิวาดอะไรกันไอ้สองครอบครัวนั่นน่ะบัดสองพ่อบ้านนี่นะอายุคนละ6หกสิบกว่าแล้วนะ เอ่เมื่อมีการพูดจาอะไรกันนี่ไม่มีลงร่องลงลอยกันโทกเถียงกันอยู่นั้นอืมทบเถียงกันไปมาเกิดโมโหสุดขีดก็ชกกันตีกันเอ้าเจ็บปวดไปมีคนมาห้ามมาเอาออกออกกันไปวันดีคืนดีพูดกันทีไรก็ทะเลาะกันไม่มีทางลงลอยกันเลยอย่างั้นอม มา น, นี้บัสุดท้ายมาเป็นฝ่ายหนึ่งไปดื่มเหล้ามาแล้วก็มามาท่าดวลกันอีกอีกค่ายหนึ่งคนหนึ่งได้มีดขอคนหนึ่งได้มีดแหลมอาห น, นี้วิ่งลงจากเรือนมากัดซัดกันเลยตายทั้งคู่เลยประเดียวอืมอันนี้แสดงว่า คนสองคนีนไม่มีศีลธรรมอยู่ในใจแม้แต่น้อยเลยไม่ได้เขารบคำสอนของพระเจ้าไม่ได้สดับตระฟังคำสอนเลยนั่นเนี่ยปล่อยให้ความโลภโรลกรธหลงครอบงาจิตใจให้หนาแน่นขึ้นไปไปทะเลาะวิวาททกเถียงในเรื่องที่ไม่ควรจะทกจะเถียงกันไปปารบเรื่องผู้อื่นนั่นมา มาถกเถียงกันเช่นอย่างว่าเอา้าการเลือกตั้งคราวหน้านี่ใครจะได้เป็นนายกพักไหนจะได้เป็นนายกไอ้ผู้หนึ่งก็พักนั้นจะเป็นนายกไอ้คนหนึ่งคนนี้ก็ว่าไม่ใช่พักนี้ต่างหากอาใครต่างคนก็จะดึงให้ไปลงรอยกับพักของตนนั่นแหละมันก็ลงกันไม่ได้อ่นี่แหละเรื่องที่ฆ่ากันตายนะแม้แต่เรื่องของผู้อื่นแท้ๆนะได้ยังไปเอามา ทะเลาะบ่แว่งกันจนฆ่ า, ากันตายนี่มันก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆนะเพิ่งสังวนไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปชอบถกเถียงกันปาลบเรื่องราวของผู้อื่นมาแล้วล่ะเมื่อถกมาเถียงกันไม่ลงรอยกันเลยใครก็อยากยาดึงความคิดความเห็นของคนอื่นมาสู่ความเห็นของตนฝ่ายเดียวเลยอย่างนี้นะนี่แหละจุดสนวนที่เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาดกัน ดังนั้นให้พากันสังวรไว้มันไม่มีประโยชน์อะไรนี่ได้ไปปาลบเรื่องผู้อื่นแล้วทะเลาะกันอย่างนี้นะีวิประโยชน์อะไรล่ะคนมีปัญญาทั้งหลายเขาไม่ทะเลาะกันหรอกเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรคนไม่รู้ก่อยให้โมหะมาครอบงมจิตใจแล้วมันไม่รู้เลยว่าเรื่องที่ตนทำตนพูดอยู่นั้นมันไม่เป็นประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ ทำไปด้วยความหลงความเมาไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นเนี่ยพูดไปด้วยความหลงความเม า, าอืเบงั้นเพราะฉะนั้นมันยึงเป็นการสะสมกองกิเลสให้หนาแ น, น่นขึ้นในใจในที่สุดก็จบชีวิตกันลงด้วยความโมโหโทโสสุดขีดอันนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเมื่อตายลงไปแล้วเป็นผีไปแล้วมันก็ไปฆ่ากันไปตีกันอยู่เมืองผีแล้วนะ่ยอย่างนี้ความพยาบาทจองเวีนกันเนี่ย ก็หาความสุขความสบายไม่ได้เลยนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าจิต ท, ที่ไม่ฝึกไม่ได้ฝึก้นอบรมนะมันเป็นอย่างนั้นนะมันดุร้ายเอาจริงๆเนยะมันไม่มีดีเลยน ะ, อะขอให้เข้าใจดังนั้นการที่เราได้มีศรัทธามาฝึกฝนอบรมจิตใจนี่นะพาะเป็นลาบอันประเสริฐให้ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐทีเดียวหลย เราจะได้ตั้งอยู่ในความสงบระ ง, งับจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครไม่มีใครมาจองกรรมจองเวรให้ได้ทรมานกันไปในสงสารเดียกว่าทำตัวเป็นคนผู้เดียวไปเลยเอาดูจิตใจตัวเองไปตลอดเวลาแหละทั้งกลางวันกลางคืน จิตของตนเป็นยังไงอ่ะมันมีกิเลสอะไรมารบกวนให้พุ่งส่้นให้เลื่อนลอยอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องดูจิตตัวเองเมื่อรู้ว่ากิเลสอันนี้แหละมันรบกวนจิตใจให้พุ่งส่้นอยู่นี่ก็เพี้ยนเพ่งกาหนดละมันเลื่อยไปไม่ทรงเสริมมันก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจไม่เอาแล้วซะอย่างเท่านั้นไม่ยึดไม่ถือเทแล้วมันจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยกิเลสต่างๆก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปเองเท่านั้นเองนะผู้ใดห้ามจิตได้ฝึกจิตได้อย่างนี้นะความรักมันก็ไม่ครอบงำจิตใจความชังก็ไม่ครอบงาํา ความหลงความเมาก็ไม่ครอบงาจิตใจได้จิตใจก็รู้อยู่อย่างนั้นนะรู้อยู่ว่านี่คือทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์กายความเศร้าโศกเสียใจเพล่ลําพันความคับแค้นใจต่างๆมง น, านาน า, านี่คือทุกข์ใจนี่แล้วทุกข์ใจของเรามีไหมอย่างนี้นะท่านว่าไม่มีก็รู้ว่าไม่มี เมื่อมีก็รู้ว่ามีอย่างนี้แหละความรู้ก็ยังว่านนทุกกายเนี่ยรู้เท่าแล้วหรือยังกายนี่เป็นของเราหรือไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเป็นธาตุสี่น้ำไฟลมเท่านั้นประชุมกันอยู่เมื่อมวเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายลงก็ไม่ใช่ของเรานี่ก็เป็นอันว่าระงับทุกทางใจได้ ใจไม่วันไว้ไม่เศร้าโศกไปกับร่างกายไม่เสียดายไม่อะไรเพราะไม่ใช่ของเราที่ไปอะไรมันทำไมมันถึงเวลามันแตกก็มันแตกไปเมื่อเราไม่ยึดถือเสียปล่อยวางได้เราก็พ้นทุกไปถ้าพ้นทุกโดยได้ขาดไม่ได้ก็เรียกว่าพ้นทุกจากความเกิดเป็นคนมีธาตุตีขันะเนี้ ก็ไปเกิดเป็นเทวดาซึ่งมีรูปร่างอันละเอียดกว่ามนุษย์นี่หลายร้อยเท่ามีความสุขยิ่งไปกว่านี้มากมายกายกองนี่จิตมันละเอียดเข้าไปเท่าไรกระบุญกรรมอันนี้มันกระตกแต่งร่างกายให้อาศัยละเอียดเหมือนกับจิตนั่นแหละให้เข้าใจถ้าจิตมันหยาบมุญกรรมมันกระตกแต่งร่างกายส่วนหยาบให้จิตนี่ได้อาศัยอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ เพราะเหตุฉะนั้นพวกเทวดาอยู่บนสวรรค์น่ะหากว่าผู้ใดอยู่ไปได้จนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเมื่อตัดสรูวในโลกแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาดาวดิงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาบรรดาเทวดาทั้งหลายก็พากันมาฟังพระอภิธรรมมเทสนาเนี่นั่นแหละผู้ใดที่มี บุญวัฒนาบา ร, รมีที่สั่งสมไปเป็นมนุษย์มากฝึกขนจิตใจของตนไปให้ว่าทําใจให้ละเอียดละ อ, อลงไปด้วยสมาธิภาวนาทําปัญญาให้ละเอียดลงไปแต่ก็ยังไม่สามารถจะละอุปท า, านได้เด็ดขาดเช่นนี้นะแต่เกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีปัญญามีจิตใจสร้างมั่นด้วยดีก็ฝึกไปแล้วจะเป็นมนุษย์ เมื่อไปเป็นเทวดาก็ไปฝึกอยู่ในเทวดาอีกอออย่างนี้แหละธรรมดาผู้ไม่หลงนะผู้รู้ตัวอยู่ผู้ภาวนาเห็นความรู้อันนี้โยเวลาจะตายอย่างนี้ก็ไม่ลืมความรู้อันนี้นะสติก็ประคองอยู่ในความรู้อันเดียวนี่แหละไม่เอาอะไรนอกนั้นนี่อย่างนี้แล้วไม่ยึดถืออะไรแนละ้วมันก็ไม่คล่องอยู่ในโลกนี้แนตะ่จิตนั้นนะ มันก็ไปตามบุญนะบ่เนี้ยบุญต้นมียังไงมันก็บุญก็นำไปท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมุ่งสวรรค์พร ม, มโลกอะไรหรอกถ้าเอาเข้าจริงๆนะมันแล้วแต่บุญจะพาไปลงอย่างนี้แล้วก็แล้วกันแหละเมื่อเมื่อจิตละจากร่างอันนี้ไปแล้วนะ